วันนี้เป็นวันศุกร์ที่๕อรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นวันพระวันธรรมสวรนระวันฟังธรรมและวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งสอนให้สาธุชนพุทธบริษัต์ผู้มีจิตใฝ่ธรรมได้ระงับการกระทาการงานทางโลกต่างๆเช่นการหาความสุขจากโลกกระมคือลาบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภพะชนิดต่างๆ ให้มากระทําหน้าที่ของชาวพุทธเพื่อที่จะได้หุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังมาเกิดอยู่ในโลกนี้ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป อยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีการมาทำหน้าที่ทำธุระที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้กับพุทธบริษัททั้งสี่หน้าที่ที่พระเจ้าส่งมอบให้หรือธุระนี้มีอยู่สองหน้าที่ใหญ่ๆเรียกว่าคันทะธุระและวิปัสนาธุระ ธันทธัุระแปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้จากวิธีของการปฏิบัติเพื่อทำให้จิตได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและหลังจากที่ได้ศึกษา ได้เรียนรู้วิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็จะได้นำมาไปทำการปฏิบัติทำธุระอันที่สอง<ม>คือวิปัสสนาธุระคือการทำปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เกิดความประจ่างแจ้ง ในผลของการปฏิบัติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆนี่คือหน้าที่ที่ชาวพุทธเราพึงกระทำกันถ้าเชื่อว่าเรายังติดอยู่ในกองทุกข์ต่างๆอยู่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย อยู่เรื่อยๆถ้าอยากที่จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายก็จำเป็นที่จะต้องทำธุระสองธุระนี้คือคันธะธุระศึกษาพราะพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งดัทงที่ทรงตัดไว้ว่า กาเลนะธรรมสากาเลนะธรรมสวะนะเอตัมมังกาลมุตตังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งการฟังธรรมตามการตามเวลาก็คือตามวันที่มีธรรมสวาวะนะนั่นเองฟังในวันธรรมสวะนะก็คือวันพระวันที่มีการ แสดงธรรมสมัยก่อนสมัยพุทธกาลไม่มีสื่อ ต, ต่างๆเหมือนสมัยนี้การที่จะศึกษาการที่จะเรียนรู้ธรรมะคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จาเป็นที่จะต้องมีเวลาไปที่วัดเพื่อไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระผู้ที่มีความรู้ทางด้านธรรมะ การที่จะไปฟังเทศฟังธรรมจึงต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงาน<ม>เช่นวันหยุดทำงานต่างๆ<ม>ถึงจะสามารถไปวัดเพื่อไปฟังเทศฟังธรรมได้จ<ม>ึงมีการตัดไว้ว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อจิตใจ พาว่ามงคลก็คือประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่จิตใจนั่นเองแต่ในสมัยปัจจุบันนี้เรามีการพัฒนาสื่อการศึกษาทำให้เรานี้สามารถที่จะศึกษาพราะธรรมคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาทุกวันเลยตลอด24ชั่วโมง เพเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือที่เราสามารถที่จะเข้าไปฟังเข้าไปอ่านธรรมะต่างๆได้เึงไม่ได้หมายความว่าจะให้ฟังธรรมเพียงแค่อธิบดิษะ์ครั้งเท่านั้นเองแต่ถ้าฟังได้มากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีถ้าขยันฟังธรรมได้ แต่ก็ต้องมีขอบเขตคือฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเมื่อเราได้ศึกษาได้ฟังเทศฟังธรรมพอสมควรพอรู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเราก็ต้องเริ่มปฏิบัติกัน ปฏิบัติไปสลับไปกับการไปฟังเทศฟังธรรมบางครั้งการฟังธรรมของเราเราก็อาจจะลืมบางสิ่งบางอย่างไปได้เพราะฉะนั้นพอเราลืมหรือเราไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติของแต่ละขั้นว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเราก็ไปค้นคว้าศึกษาขั้นตอนของการปฏิบัติต่างๆได้อ ไม่ควรที่จะปฏิบัติโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้จากผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือพระ อ, อริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแล้วถ้าไปศึกษากับุคลที่ยังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้หลุดพ้น โอกาสที่จะได้ข้อมูลที่ผิดพลาดก็จะมีได้และก็อาจจะทำให้ไม่ได้ผลหลังจากการปฏิบัติแล้วก็จะทำให้เสียเวลาไปฉะนั้นแห่งข้อมูลของการศึกษาธรรมนี้ควรจะมาจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้น พระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะตากพวกเราไปแล้วก็ตามแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตัดไว้ว่าพระองค์ไม่ได้จากไปตัวของพระองค์เองยังอยู่กับพวกเราอยู่คือาศาสดาครูอาจารย์ยังอยู่กับพวกเราอยู่อยู่ในรูปแบบของพระธรรมคำสั่งคำสอน ที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอนมาตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันนับตั้งแต่วันแรกของการประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกคือในวันเพ็ญเดือน8ที่เราเรียกว่าวันอาสาฬห บ, บูชาไปจนทั่งถึงวันเพ็ญเดือนเดือน6วันที่ทรงเสด็จดับพันธาปารณิพาน ทรงแสดงโอวาทครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าบัตชิมโอวาทเป็นระยะเวลาทั้งหมดสี่สิบห้าปีด้วยกันพระธรรมที่ทรงแสดงนั้นก็แสดงวันละหลายหลายรอบด้วยกันแสดงวันละประมาณสี่สามสี่ครั้งด้วยกันเช่นตอนบ่ายก็ทรงแสดงทำสั่งสอนสาาศรัทธาญาติโยมผู้คารวาผู้คลองเรือน ยามค่ำก็สั่งสอนนักบวชภิกษุภิกษุณียามดึกก็สั่งสอนเทวดาและยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาตก็ทรงเร็งยามดูว่าจะไปโปรดแสดงธรรมให้กับผู้ใดเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นแล้วหลังจากนั้นพ่อ ก, ก็จะทรงสเสด็จไป สังที่ได้ทรงพิจารณานี่คือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจำและบันทึกไวใ้ในพระคัมภี์พระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็ให้ศึกษาจากพระคัมภีร์ของพระไตรปิฎกนี่ยพระคัมภี์ที่ชื่อว่าพระไตรปิฎกซึ่งในสมัยนี้ ธรรมะมันถึงธรรมะของพระเจ้าในคำภีมันมีมากมายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะซ้ำกันไปซ้ำกันมาทางคณะสงฆ์ก็จะมีการคัดเลือกธรรมะที่เป็นธรรมะหัวข้อที่สำคัญสำคัญมาบรรจุไว้ในหลักสูตรของของพระภิกษุสามเณรที่เรียกว่าหลักสูตรนักธรรมเต ยาโยงก็สามารถที่จะไปซื้อหนังสือหลักสูตรนักธรรมตีมาอ่านได้ก็จะได้ความรู้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่คาดเชื่อจากความเป็นจริงอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาควรที่จะเข้าหาคือเข้าหาพระพุทธเจ้าก่อนเพราะพระ พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้รู้จริงเห็นจริงคำสอนทุกบททุกบาทของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตภะวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไวชอบแล้วคือถูกต้องตามหลักความเป็นจริงทุกประการทร mm hmm. งตรัสว่าบุญนี่มีจริงบาปนี่มีจริง mm hmm. ผลจากการทำบุญคือสวรรค์ก็มีจริง ผลที่เกิดจากการทำบาปเกื้อบายและนรกก็มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดตามอำนาจของกิเลสปัญหาความโลภความโกรธความหลงก็มีจริงและการสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีจริงเป็นเรื่องที่พระเจ้าได้ทรง ปฏิบัติมาแล้วได้ทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระ อ, องค์เองแล้วจึงนำามามาเผยแร่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆให้ได้นำเอาไปปฏิบัติและได้รับผลมาเป็นจำนวนมากผู้ที่ได้รับผลนี้ก็คือพระสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองพระอรหันตสาวก และพระ อ, อริยสงสาวกคือพระสาวกของพระพุทธเจ้านี้มีอยู่สี่ระดับด้วยกัน <c oughs> อริยสงสาวกหรือพระ อ, อริยบุคคลมีระดับแรกก็คือพระสดาบัน <c oughs> ระดับที่สองก็คือพระสกิราคามีระดับที่สามก็คือพระ อ, อนาคามีและระดับที่สี่ก็คือพออระอรหันต พระอริยสี่ขั้นนี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นขั้นขั้นไปพระโสดาบันหลุดพ้นขั้นที่หนึ่งยังต้องแต่ยังมีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกสามขั้นที่จะต้องปฏิบัติต่อพอได้โสดาบันก็ปฏิบัติต่อไปก็จะได้ขั้นสกิดาคามีแล้วต่อจากพระสกิดาคามีก็จะได้พระอนาคามี จากพระนาคามีก็จะได้เป็นพระอรหันต์พอได้ถึงขั้นพระอรหันต์แล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตและสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ยังมีความอยากที่จะดึงให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก ถ้าได้เป็นพระสกิดาคามีในระดับอริยบุคคลขั้นที่สองก็จะยังมีความอยากหลงเหลืออยู่ที่จะดึงให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกหนึ่งครั้งเป็นอย่างมากถ้าได้ขั้นที่สามคือได้ขั้นพระอนาคามีความอยากที่จะดึงให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็จะถูกทำลายถูกกำจัดไปจนหมดสิ้น พระนาคามีจึงไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นสุทธาวาสมีอยู่ห้าระดับด้วยกันแล้วเพราะยังมีความอยากที่ละเอียดยังหลงเหลืออยู่ภายในจิตใจคือความอยากการเสดความสุขจากฌานขั้นต่างๆนั่นเอง พอพอได้กำจัดความอยากในการเสพฌานขั้นต่างๆได้พระนาคามีก็จะบรรลุเป็นพระอรหันตวก็จะเข้าสู่พระนิพพานไปจะไม่ติดอยู่ในใจพบอีกต่อไปไม่ติดในการมาพบพบของมนุษย์ที่พระสกิดาคามีพระโสดาบันยังเป็นอยู่ ล้าก็ไม่ติดอยู่ในรูปภพหรืออรูปภพที่พระอนาคามียังติดอยู่ถ้าได้ถึงเป็นขั้นพระอรหันต์แล้วก็จะออกตาออกจากตายพบไปอย่างอย่างสิ้นเชิงจะไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบในรูปภพหรือในอรูปภพอีกต่อไปเมื่อไม่มีการกลับมาเกิด ก็จะไม่มีการแกร่การเจ็บการตายตามมาอีกต่อไปความทุกข์ต่างๆที่เคยได้จากการมาเกิดแก่เจ็บตายก็จะสิ้นสุดลงนี่คือผลที่จะเกิดจากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องคือข้อมูลที่มีการจดบันทึกเอาไว้ในพระคมพีพระตรีพิตก แต่เนื่องจากาพระคัมภีร์นี้มีบรรจุคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหมื่นเป็นหมื่นเรื่องแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์หรือธรรมบททางคณะสงฆ์ก็เลยคัดเลือกเอาธรรมะที่เป็นแก่นที่เป็นเป็ น, เ ป, น เ, เป็นเหตุที่จะทำให้สามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ได้ จะทาเป็นหลักสูตรนักธรรมตรนะีที่ให้พระภิกษุสา ม, มเณรที่มาบวชในพระพุทธศาสนาได้ศึกษาลรํ่เรียนและได้นำมาไปฏิบัติต่อไปสำหรับศรัทธาญาติโยมในสมัยก่อนก็อาศัยพระภิกษุเป็นผู้สั่งสอนเพราะว่าศรัทธาญาติโยมอาจจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งของพระตไตรปิฎกได้ าะไม่มีสื่อที่เผยแพร่อย่างกว้างขวางก็เลยต้องอาศัยไปวัดเพื่อไปฟังเทศฟังธรรมจากาพระภิกษุที่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสแสดงมาเทศให้ฟังเป็นเรื่องๆไปแต่สมัยนี้การศึกษาได้มีการพัฒนาไปอย่างมากทำให้นักศึกษานี้ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องอาศัยการศึกษาจากพระภิกษุอีกต่อไป<ม>ก็สามารถที่จะไปหาหนังสือมาอ่านได้หรือสมัยนี้ถ้ามีมือถือก็สามารถค้นหาได้ในใน o o g l e <ม>ลองค้นหาหลักสูตรนักทำเตีดู น่าจะขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างคําสอนพระเจ้าสอนให้เราศึกษาให้รู้อะไรบ้างแล้วเราก็ศึกษาแล้วเราก็จะได้นําออกมาปฏิบัติได้การศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในเบื้องต้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสอนอะไร แต่เวลาที่เรานำเอาคำสอนที่ไปปฏิบัติเราอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าวิธีปฏิบัติของธรรมะแต่ละขั้นนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเราก็จึงจำเป็นที่จะต้องไปหาผูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นผู้ที่มีความรู้จากการปฏิบัติเพื่อให้ท่านได้เป็นผู้คอย สอนคอยบอกวิธีการที่ถูกต้องอีกทีในกรณีที่เรายัางไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องแต่ถ้าเรารู้ว่าวิธีที่ถูกต้องปฏิบัติอย่างไรและเรานำมาไปปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองแล้วได้เกิดผลคือได้ได้ดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราได้ เราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาครูบาอาจารย์รพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่สั่งสอนให้กับผู้ที่ยังไม่รู้ทางที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเราก็อาจจะต้องไปพึ่งพึ่งพาอาศัยครูบาอาจารย์ต่างๆ ซึ่งถ้าเราไม่มีความรู้ที่เราได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกจากพระพุทธเจ้า<ม>เราก็อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ที่เราไปศึกษาสั่งสอนนั้นจะตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือจะขาดกับหลักทรรคําสอนหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าเราได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกไปบ้างแล้วพอรู้ วิธีโดยหลักแล้วว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าครูบาอาจารย์นั้นท่านไม่ไม่ได้สอนตามหลักตามแนวที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนเราก็จะได้รู้ว่าท่านไม่ได้สอนที่ไม่ได้ให้คำสอนที่ถูกต้องเราก็อาจจะไม่ต้องไปศึกษาจากท่านก็ได้นี่คือสิ่งที่เราควรจะศึกษาในเบื้องต้นคือศึกษาคำสอน ของพระพุทธเจ้าก่อนไว้เป็นมาตรฐานเพื่อที่จะได้ไปวัดคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราอาจจะต้องไปพึ่งเพ่งอาศัยไปศึกษากับท่าน <c oughs> พอเรายัางไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างละเอียดยังไม่มั่นใจว่าทำได้ถูกต้องหรือไม่เราก็ต้องไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่มีชื่อมีเสียงก็ได้ ที่มีคนนั่าหลือมีคนคารับนักถือ <c oughs> ว่าเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติดี <c oughs> ป, ฏดปฏิบัติชอบ <c oughs> ได้หลุดพ้นจากกองทุกข <c oughs> แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว <c oughs> ถ้าเราได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่รู้จริง <c oughs> เห็นจริงผู้ที่ได้บรรลุได้หลุดพ้นแล้ว <c oughs> เราก็จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องและเป็นความรู้ที่ <c oughs> ที่เราสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ <Yes. S 2> โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาค้นคว้าจากจากพระธรรมปีพระไตรปิฎก <Yes. S 2> ก็จะช่วยย่นเวลาให้กับการปฏิบัติของเราได้ mm hmm. ถ้าเราศึกษาเองปฏิบัติเองนี่บางทีเราก็ยังอาจจะต้องคำทางไปเพราะว่ายังเป็นทางที่เรายังไม่เคยไป <c oughs> แล้วเราอาจจะทำผิดบ้างถูกบ้าง mm hmm. ถึงทำให้เกิดผลขึ้นมาบ้างทำให้ไม่เกิดผลขึ้นมาบ้างแต่ถ้าไปศึกษากับผู้ที่ได้ศึกได้ปฏิบัติได้ผ่านมาแล้วได้รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องพอนำเอาคำสอนของท่านมาปฏิบัติเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติทันทีมันก็จะทำให้เราไม่เสียเวลาการที่มีครูบาอาจารย์ที่ดี ที่รู้จริงเห็นจริงนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะ <c oughs> ช่วยให้การปฏิบัติของเรานี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายสะดวกและถึงปะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแน่น อ, น, อนนี่คือเรื่องของการศึกษาศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ สิ่งที่พระเจ้าทงสอนให้ปฏิบัติเพื่อให้การหดูดพ้นจากความทุกข์นั้นก็มีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็สอนให้เราทำบุญทาทานให้เราสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีไปที่เราเอาเงินทองที่เราจะไปใช้ดับความทุกข์ด้วยการไปซื้อความสุขทางต า, งางหูจหมูกนิ้นกาย ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ห่างใจได้อนอกจากไม่ให้เป็นวิธีดับแล้วยังเป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมากอีกเพิ่มขึ้นไปอีกอออเพราะเงินทางที่ไปใช้ตามความอยากมันไม่จะไม่ได้ทำให้ความอยากหายไปแต่กลับจะทำให้มีความอยากเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนั่นเองอต้องเอาไปใช้ด้วยการทำบุญทำทาน เอาไปบริจาคเอาไปสงเคราะห์ผู้อื่นไปทำคุณทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นการใช้เงินแบบนี้จะได้ความสุขที่จะมาดับความอยากในระดับเรื่องของการใช้เงินทองได้ทำให้เรานี่นจะไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทองไปไปทำตามความอยากต่างๆ อันนี้ขั้นแรกก็เรื่องของการทําบุญทําทานแล้วก็ขั้นที่สองก็ให้เรารักษาศีลในระดับต่างๆศีลมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เราสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองให้กับใจของเราเองเพราะเวลาที่เราทําบาปใจของเราจะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีศีลคอยห้ามไม่ให้เราทําบาปบาปความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาป ก, ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา ระขั้นที่สามก็ให้เราไปปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อทาใจให้สงบเพราะการทาใจให้สงบนี้จะหยุดความทุกข์ได้ทั้งหมดเลยการการทาบุญทาทานจะยับดับความทุกข์ได้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินใช้ทองอการรักษาศีลก็จะหยุดความทุกข์ได้จากการการะทำบาปางๆ แต่ถึงแม้ได้ทำบุญทาทานได้รักษาสีแล้วใจก็ยังสามารถมีความทุกข์จากความอยากต่างๆจากจากใจที่ไม่นิ่งไม่สงบได้แต่พอทาใจให้นิ่งให้สงบได้ความอยากต่างๆนั้นก็จะหยุดทันทีไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ฉั mm hmm. นั้นการปฏิบัติจึงมีแ บ, บ่งไว้เป็นสามขั้นตอนด้วยกัน อากง่ายไปหายากก่อนถ้าเรายังอยู่ในระดับถ้าเรายังอยู่การในระดับการใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องมือในการดับความทุกข์ดับความไม่สบายใจต่างๆ mm hmm. เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีเช่น mm hmm. ถ้าเราเคยใช้เงินไปกับการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือไปดูไปชมอะไรต่างๆตามความอยาก เวลาเราอยู่เฉยๆในี่ใจมันจะดิน้นมันจะอยากหาความสุขเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือไปซื้อของต่างๆที่เราเห็นแล้วเราอยากได้ของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีแต่แต่เราคิดว่าถ้าเราได้ซื้อมันมาแล้วมันจะทําให้เรามีความสุข เราต้องเลิกใช้เงินทองในในการดับทุกข์ด้วยด้วยดยการไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะมันมันดับทุกข์ได้เพียงเดี๋ยวเดียวเชื่อขณะที่เราไปเที่ยวหรือเชื่อในขณะที่เราได้ <c oughs> ได้สิ่งที่เราอยากได้มาแต่หลังจากนั้นไปไม่นาน ความอยากใหม่ก็จะปรากฏขึ้นม่อยากจะไปเที่ยวที่อื่นอีกอยากจะซื้อของอย่างอื่นอีกที่เรายัางไม่มีการดับความทุกข์ด้วยการใช้เงินแบบนี้จะไม่ไม่ใช่เป็นการดับความทุกข์แต่จะเป็นการเพิ่มความทุกข์เพราะจะเป็นการเพิ่มความอยากให้มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆความอยากมันจะไม่หายไปหมดไป จากการที่เราเอาเงินไปซื้อของตามความอยากต่างๆแต่ความอยากเหล่านี้จะหมดไปได้จากการที่เราเอาเงินเอาทองที่จะไปซื้อที่ไปซื้อของตามความอยากต่างๆนี้เอาไปทำบุญทาทานแทนเอาไปทำคุณทประโยชน์ให้กับองค์กรใดก็ได้บุคคลใดก็ได้แล้วแต่เราจะ จะชอบทำกับใครล้วเราชอบทากับวัดทำกับพระพุทธศาสนา<ม>เราก็ไปเอาเงินทองไปบริจาคไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของวัดของศาสนา<ม>แทนที่เราจะเอาเงินไปทำตามความอยาก<ม>พอเงินที่เราจะาไปทำตามความอยากเราเอาไปทำบุญทำทาน เราก็จะไม่ไปส่งเสริมความอยากเพราะไม่มีเงินที่จะเอาไปใช้ส่งเสริมความอยากเพราะเงินที่เราจะใช้ส่งเสริมความอยากเราเอาไปทำบุญทาทานกับกับวัดกับองค์กรต่างๆความอยากที่จะใช้เงินนั้นมันเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนมันก็จะหายไปมันก็จะอ่อนกำลังลงไป แล้วถ้าครั้งต่อไปเกิดความอยากอีกอยากที่จะไปเที่ยวอีกอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นต่างๆอีกอยากจะไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นล้นโผดตภาชนิดต่างๆอีกเราก็เอาเงินที่เราจะไปใช้กับความอยากนี้มาใช้กับการทำบุญทำทานเอาไปทำบุญทำทานไปบริจาคไปสงเคราะห์บุคคลต่างๆ ซึ่งเราก็มีบุคคลที่เราพึงที่จะดูแลบุคคลที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาปุย่าตายายของเรา<ม>เราก็สามารถทําบุญทําทานกับวิดามารดาปุย่าตายายก็ได้หรือถ้าท่านอยู่ดีกินดีไม่เดือดร้อน<ม>เราก็ไปทําบุญกับองค์กรที่เขาขาดแคลนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นวัดก็ได้โรงพยาบาลก็ได้โรงเรียนก็ได้<ม>หรือสถาน สงเคราะห์ต่างๆที่ที่เดือดที่ขาดแคลนที่ต้องการความช่วยเหลือ<ม>เราก็เอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากนี้ไปกับไปใช้กับการทำบุญทาทานต่อ<ม>ไปความอยากที่จะใช้เงินทางไปไปซื้อของตามความอยากมันก็จะหมดไป<ม>แล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุข ถึงแม้เราจะไม่ได้ไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟยซื้อของใหม่ๆแปลกแปมาให้เราได้เสพได้สัมผัสแต่เราจะมีความสุขจากบุญที่เราได้ทําไว้เวลาที่เราได้ทําบุญทําทานนี้ใจเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอกใจมีความสุขใจมีความพอใจเราก็จะอยู่กับใจไปเป็นเวลายาวนานอยู่ไปจน ก, กระทั่งถึงวันตายเลยเพราะว่า บุญนี้ยังเรายังไม่ได้เอาไปใช้มันมันอยู่ในใจให้ความสุขกับใจเรามันจะเริ่มหมดไปก็ต่อเมื่อเวลาที่ร่างกายนี้เราตายไปแล้วแล้วเราใช้บุญนี้พาให้เราไปอยู่ในสวรรค์เวลาที่เราตายไปเนี่ยถ้าเราอยากจะไปอยู่ในสวรรค์เราก็ต้องมีบุญพาไปแล้วบุญนี้ก็จะค่อยๆจางหายไปหมดไปต่อไป พอมุนบุญหมดเราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อี ก, อกรอบหนึ่งแต่การเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุขคตินี่คือประโยชน์ของการทําบุญทําทาน<ม>เพื่อสกัดกั้นความอยากที่จะใช้เงินทองไปหาความสุขต่างๆเพราะมันเป็นความสุขที่ ชั่วคราวแล้วมันจะและจะทําให้เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาแล้วเวลาเกิดความอยากใหม่ขึ้นมามันก็จะสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้กับใจขึ้นอยู่เรื่อยๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าเราฝืนมันไปความอยากเหล่านี้มันก็จะเบาบางลงไปจนในที่สุดมันก็จะไม่เกิดคนที่ เอาเงินเอาทางามาทำบุญทำทานไม่เอาไปซื้อของตามความอยากต่างๆเตาตไปความอยากจะซื้อของอะไรต่างๆนี่มันก็จะหมดไปแล้วก็จะชอบการทำบุญมากกว่าการใช้เงินไปตามความอยากเพราะเวลาได้ใช้เงินไปกับการทำบุญแล้วมีความสุขมากกว่าแล้วก็อยู่นานกว่าทำให้ใจไม่หิวโหวยไม่ดิ้นหล่นที่จะต้องไปหา สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขอยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องของการทำทานถ้าเราอยู่ในฐานะที่เรายังใช้เงินใช้ทองเพื่อไปแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราควรที่จะหยุดใช้มันเสียเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆนั่นเองเพราะว่าถ้าเราเอาเงินทองไปซื้อ สิ่งต่างๆมาให้ความสุขของเราเมื่อเราใช้เงินทองไปมันก็จะต้องหมดเมื่อมันหมดเราก็ต้องไปหาคอยไปหาเงินทองมาเติมอยู่เรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่เราไปซื้อนี่มันเป็นเหมือนยาเสพติดสิ่งที่ให้ความสุขกับเราจากการที่เราใช้เงินไปซื้อนี่มันเป็นเหมือนยาเสติดเศรแล้วก็ติดเช่นเครื่องดื่นต่างๆเช่นกาแฟเอย เครื่องดื่มชนิดต่างๆเนี่ยพอเราดื่มแล้วเราก็จะติดมันวันไหนที่ไม่ได้ดื่มมันก็จะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกว่าขาดอะไรมันก็จะต้องคอยไปหามาดื่มอยู่เรื่อยๆก็ต้องต้องมีเงินไปซื้อถ้ามีเงินไปซื้อของที่เราเสพเราติดอยู่เรื่อยๆเงินมันก็จะต้องหมดไปค่อยๆหมดไปมันก็จะตบังคับให้เราต้องคอยไปหาเงินหาทางมาอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ มีความสุขจากการเสพลูกเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆ น, นถึงแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายทางกฎหมายจะไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดก็ตามแต่ถ้ามองตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วสิ่งต่างๆที่เราเสพด้วยความอยากนี่มันจะทำให้เราติดทั้งนั้นถ้าเราอยากจะเสพเครื่องดื่มเช่นกาแฟมันก็จะติดกาแฟถ้าเราอยากจะเสพ สุรานี้มันก็จะติดสุราถ้าอยากจะเสพควันกุลีเราก็จะติดกุลีและเวลาที่เราไม่ได้เสพมันก็จะรู้สึกหมุดหินรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่จะเลิกสิ่งเหล่านี้มันก็ย า, ยากๆเพราะมันจะต้องผ่านความทุกข์ความไม่สบายใจแต่ถ้าเราเอาถ้าเราอยากจะเลิกเราก็เอาเงินที่เราจ่าซื้อสิ่งเหล่านี้ ไปก า, การทำบุญทาทานมันก็จะทำให้เราไม่มีเงินที่จะซื้อสิ่งเสพติดมเสพไม่มีไม่มีเงินซื้อมันก็จะมันก็จะเราได้เราเราเพราะเราเอาเงินไปทำบุญทาทานแล้วเราก็จะได้ความสุขจากการทำบุญทาทานนี้มาช่วยระงับความทุกข์ความไม่สบายใจที่เกิดจากการอยากจะเสพสิ่งต่างๆได้ แล้วมันจะทำให้เรานี้ไม่ต้องไปทำงานหาเงินหาทองมามากเรายังอาจจะต้องทำงานอยู่เพราะเรายังต้องหาเงินหาทองเพื่อมาใช้ใจ่ายในสิ่งที่จำเป็นก็คือเลี้ยงดูร่างกายของเราที่เราต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายต้องมีอาหารต้องมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรค แต่<ม>สิ่งจาเป็นเหล่านี้ค่าใช้จ่ายมันจะน้อยมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไปซื้อสิ่งเสพติดต่างๆมาเสกมันก็จะทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานทำการให้มากเหมือนเหมือนเมื่อก่อนก็ได้ ม, มันก็จะลดความเครียดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการทำงานให้น้อยลงไป เราก็อาจจะเปลี่ยนงานถ้าเราอยากจะถ้าเราไม่ต้องการทางานตลอดเวลาตลอดทุกวันเราก็เปลี่ยนงานที่เราสามารถเลือกเวลาของเราได้เช่นมาทำอาชีพอิสระไปขายของหรือทำอะไรตามเวลาที่เราต้องการเพราะเราไม่ต้องการที่จะต้องมีเงินทองมากเหมือนเมื่อก่อนเราก็จะมีเวลาว่างสำหรับที่เราจะได้ มาปฏิบัติทำขั้นต่อไปได้นั่นเองอนี่คือการประโยชน์ของการทำบุญทำทานก็คือเพื่อละการจาในการละความจาเป็นที่จะต้องคอยหาเงินหาทองมาใช้อยู่เรื่อยๆเมื่อเราสามารถลดรายจ่ายได้เราก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องไปหารายได้มามเราก็จะไม่จาเป็นจะต้องทำงานจากตามมากมาย นราอาจจะทําเพลงไม่กี่วันต่ออาทิตย์ก็ได้เพื่อมาซื้อปัจจัยสี่เลี้ยงดูร่างกายมันก็จะทําให้เรามีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้นเมื่อเรามีเวลาว่างเราก็จะได้มาปฏิบัติธรรมขั้นต่อไปได้คือขั้นรักษาศีลขั้นรักษาศีลเพราะว่าถ้าเราทําเราไม่มีความกดดันที่จะต้องหาเงินมากๆ การทำงานเราก็จะไม่ต้องทำบาปแต่ถ้าเรามีความกดดันที่จะต้องมีรายได้มามากๆเพื่อที่จะเอามาใช้ตามความอยากบางครั้งบางเวลาเราอาจจะทาบาปไปด้วยก็ได้เช่นเราอาจจะต้องโกหกดอกลวงบ้างพูดปดบ้างไม่ได้พูดความจริงหรือชอบโกงบ้าง หรือถ้าหนักกว่านั้นก็อาจจะถึงกับไปปล้นไปจี้เงินทองของผู้อื่นมา ก, ก็ได้ mm. ถ้าเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองอยู่มาก mm. มันก็จะทำให้เรานี้ไม่สามารถที่จะละเว้นจากการกระทำบาปได้ mm. ยังไม่สามารถรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้ mm. แต่ถ้าเราไม่มีความกดดันที่จาเป็นที่จะต้องไปหาเงินหาทองมามากมายกายกอง เรามีอาชีพพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปเมื่อไม่มีการทำบาปเราก็จะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปตามมาใจเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายท่ามหากินอย่างสุขอย่างสบายไม่คิดที่จะไปโกหกหลอกลวงใครไม่คิดที่จะไปชอบโคงของไทยต่างๆเราก็จะ ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปนี้มันก็มีผลสองระยะด้วยกันระยะแรกก็คือในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ทุกครั้งที่เราทำบาปนี่ใจของเราจะมีความทุกข์จะไม่สบายใจแล้วความทุกข์เหล่านี้มันก็ยังจะสะสมอยู่ในใจในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่และมันจะไปส่งผลต่อไปตอนที่ร่างกายเราตายไปแล้ว <H> <Apple> ทามทุกข์นี้แหละที่จะไปดึงใจให้ไปเกิดในอบายต่อไปให้ไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติ<ม>ตายจากมนุษย์ก็อาจจะไปเป็นเปรตบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นนสุรกายบ้างหรือไปตกนรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่เราทำว่ามีหนักมีเบามีสาเหตุอย่างไร ม, มันก็จะพาให้ดวงวิญญาณของเรานี้ ถูกอิทธิพลของบาปนี้สร้างความทุกข์ของภพต่างๆในอบายให้กับใจจนกว่าบาปที่เราได้ทําไว้มันอ่อนกําลังลงและไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลต่อ ด, ดวงวิญญาณของเราได้แล้วดวงวิญญาณของเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ของเราจาก จากการกลับมาจากกร บ, บาลนี้จะมาเกิดในลักษณะแบบผู้ที่มีอาภัพอภัพด้อยวาสนาเช่นจะมาเกิดเป็นคนยากจนบ้างเกิดเป็นคนไม่สมประกอบบ้างอาการไม่ครบสามสิบสองมีโรคไขยไข้เจ็บเบียดเบียนมีรูปร่างหน้าตาที่ไม่น่าดูน่าชมมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์อาจมีอายุสั้นเป็นต้น นี่คืออา น, นิสงส์ที่จะเกิดจากการได้กระทำบาปในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาเงินหาทองมากมายกายกองเรามีเงินทองแบบพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำบาเพื่อที่จะได้เงินทองมามากมายเราก็จะตายไปเราก็จะไม่มีบาเป็นตัว ที่จะดึงให้เราไปเกิดในอาบาย <S <S <S ถ้าเราได้ทำบุญไว้ <S <S <S บุญก็จะดึงให้เราไปสวรรค์ก่อน <S <S <S แต่ถ้าเราได้ทำบุญไว้ด้วยทำบาปไว้ด้วยอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าบาปกับบุญ น, นั้นอันไหนมีกำลังมากกว่ากัน <S <S 2> <S 2> ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็ยังต้องไปเกิดในอบายอยู่ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะดึงให้ไปเกิดในสวรรค์ อนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรา <c oughs> ทำหรือไม่ทำถ้าเราทำบุญแล้วเรารักษาศีลห้าได้ใจเราก็จะไปสุคติอย่างแน่ น, นอนกลับมาเกิดก็เป็นมนุษย์ที่มีบุญมีวาสนามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเกิดมาร่ารวย มีสุขภาพที่แข็งแรงมีอาการครบครบสามสิบสองมีความรู้ความฉลาดมีอายุยืนยาวนานเป็นต้นอันนี้คืออ น, นิสงส์ที่จะเกิดจากการปฏิบัติธรรมสองข้อแรกคือการทำบุญทำทานและการรักษาศีลศีลห้าและการกระทำบาปแต่การทำบุญทำทานการรักษาศีลนี้ ยังไม่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เพียงแต่จะช่วยทำให้การเวียนว่ายตายเกิดนี้เวียนว่ายตายเกิดในสุขติจะไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติจะไม่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานจะไม่ไปเป็นเปรต เ, เป็นอสุรกายจะไม่ไปตกนรกแต่ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เช่นเช่นเดยถ้าอยากที่จะ ไปสูงกว่านี้ไปให้ใกล้กับการหลุดพ้นก็จําเป็นที่จะต้องทําปฏิบัติธรรมข้อที่สามคือการชําระใจให้สะอาดด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนา mm hmm. คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ก็แบ่งไว้สองระดับด้วยกันที่เรียกว่าสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา mm hmm. สมถาภาวานาก็เป็นการปฏิบัติเพื่อหยุดความคิดต่างๆชั่วคราว<ม>เวลาถ้าเวลาหยุดความคิดได้ชั่วคราวความอยากต่างๆที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจที่จะดึงใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดก็จะระงับอยู่ชั่วคราว<ม>แต่ยังไม่ยังไม่ถูกกาจัดอย่างถาวร ถ้าอยากจะกำจัดความอยากที่จะดึงให้ใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวรนี้ก็ต้องไปขั้นที่สองหลังจากที่ได้ขั้นที่หนึ่งคือสมถะภาวนาได้สมาธิได้ฌานได้อุบเบกขาแล้วขั้นที่สองก็คือการไปเจริญปัญญาการไปศึกษาให้เห็นว่าเหตุที่พาทําให้จิตใจมาเวียนว่ายตายเกิด เหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือตันหาความอยากต่างๆ mm. พอศึกษาเห็นด้วยปัญญาว่าเวลาเกิดความอยากใจจะทุกข์ mm. แล้วก็ถ้าปล่อยให้ทำตามความอยากความอยากนี้ก็จะดึงให้เราไปติดอยู่กับพบใดพบหนึ่ง mm. ถ้าอยากในกามก็จะไปติดในกามมาพบถ้าอยากในรูปปาจจัยก็จะไปติดในรูปประพบ mm. ถ้าอยากในอรูประชาญก็จะไปติดอยู่ในอรูปภพ<ม>ก็ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆ<ม>ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าการที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดนั้นเราก็ต้องตัดความอยากทั้งสามนี้ไปให้หมดมด้วยปัญญาปัญญาเพียงบอกว่า<ม>สิ่งใดที่เราควรจะตัดควรจะงด<ม>แต่ผู้ที่จะมา ง, งดมาหยุดความอยากเหล่านี้ได้ ก็คือสมาธินี่ดังนั้นการที่ปฏิบัติเพื่อให้กำจัดความอย่างนี้จะใช้ปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ปัญญาไม่มีกำลังปัญญาเพียงแต่เป็นผู้บอกบอกว่าสิ่งไหนควรที่จะละสิ่งไหนที่ไม่ควรที่จะทำตามเท่านั้นแต่จะละได้หรือไม่ได้นี้อยู่ที่ใจที่มีสมาธิหรือไม่ถ้ามีใจมีสมาธิใจก็จะละ ใจก็จะละความอยากหรือความอยากได้แต่ถ้าใจมีแต่สมาธิไม่มีปัญญาใจก็จะไม่รู้ว่าจะต้องละอะไรบ้างจะไม่รู้ว่าความอยากเป็นตัวที่พาให้เกิดความทุกข์ใจเป็นตัวที่พาให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดจึงจำเป็นที่จะต้องมีสมาธิก่อนแล้วถึงค่อยไปขั้นปัญญาต่อไปถ้าแรกเราเรามาหยุดหัด ผัดใจผัดหยุดใจไว้ก่อนให้ใจทําใจให้นิ่งใจที่อยากจะทํานู่นทนํานี่ไปนู่นมานี่ดูนั่นดูนี่ฟังนู่นฟังนีกนนน่กินนั่นกินนี่ลิ้มรสสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยให้หยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้ก่อนเมื่อเรามีกําลังหยุดความอยากได้แล้วเราไปศึกษาทางปัญญาต่อไปทางปัญญาก็จะบอกเราว่าเนี่ยถ้าอยากจะ ไม่ให้เกิดใจไม่ให้ใจเกิดความทุกข์ต่างๆเวลาเกิดความอยากก็ต้องหยุดมันถ้าไม่อยากให้ใจกลับมาเกิดในภพต่างๆก็ต้องหยุดความอยากต่างๆที่ดึงให้ใจกลับมาเกิดในภพต่างๆนั่นเองการปฏิบัติสองขัานี้จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติแยกกันไม่ได้ปฏิบัติพร้อมกันในขณะเดียวกันตามที่เข้าใจคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเวลาปฏิบัติ ยาราณสติแล้วพอมานั่งสมาธิพอมาดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุโทโธพอใจนิ่งสงบปับ๊บก็จะให้ไปพิจารณาทางปัญญาทันทีอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการฝึกสมาธินี้เราต้องการให้จิตนิ่งนานๆไม่ใช่นิง่งแค่ปั๊บเดียวแล้วก็ไปทำงานทางปัญญาต่อเพราะถ้ายัางนิ่งไม่นาน ใจยังไม่มีกําลังที่จะไปหยุดความอยากได้นั่นเองเวลาที่ไปเจริญปัญญาเช่นไปศึกษาอริยสัจสี่ก็จะเห็นว่าทุกนี้เกิดจากสมุทัยคือความอยากต่างๆและการที่จะทำให้ทุกข์ดับไปได้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ใช้ศีลสมาธิปัญญาต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญาแต่สมาธิของเรายังมีน้อยมากขณะนั่งสงบเพียงแป๊บเดียวนี้ ความนิ่งสงบมันือมันมีเดียวเดียวมันมีนิดเดียวพอเราไปเริ่มคิดปับ๊บมันก็จะทำให้ความอยากนี้มันมีกำลังขึ้นมา ท, าทันทีแล้วเราก็จะไม่มีกำลังที่จะระหยุดความอยากได้ฉะนั้นในทางปฏิบัติจริงๆแล้วการปฏิบัติสมาธิกับการปฏิบัติปัญญานี้จะแยกเป็นสองขั้นตอนนี่กันจะไม่มาปนกันขั้นตอนแรกถ้าเราต้องการที่จะ สติทำใจให้สงบนี้เราไม่ทำอะไรฝึกแต่สติอย่างเดียวเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ต้องฝึกสติตลอดเวลาหยุดคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆคอยสกัดความคิดย้อยอย่าว่าไปหยุดมันเลยเพียงแต่สกัดคอยคอยดึงความดึงใจไม่ให้ไหลไปตามความคิดต่างๆปกติถ้าไม่มีสตินี้ใจมักจะไหลไปกับความคิด คิดเรื่องนั้นแล้วก็ไปเสริมความคิดนั้นไปคุยกับความคิดคิดไปแล้วก็คิดเรื่องอื่นต่อไปคิดไปได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เวลาถ้าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกแล้วก็จะไปแก้วิธีความไม่ทุกข์ทุกข์ใจด้วยการไปทำตามความอยากนี่พอกที่ว่าเวลาไม่สบายใจถ้าอยากจะให้ความไม่สบายใจหายไปก็ต้องไปหาอะไรทาที่ทาให้เกิดความสุขใจ ก็จะไปทาตามความอยากไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปเดินมาไล่กันอมันก็จะเป็นการแก้วิแก้ความทุกข์ไม่ถูกจุดนั่นเองเพราะวิธีแก้ความทุกข์ที่ถูกจุดต้องคอยหยุดความอยากหยุดความคิดต่างๆถ้าเราใช้ทานเราก็หยุดความความอยากได้ในระดับของทานถ้าเราใช้ศีลเราก็จะดับความอยากในระดับของศีลได้ ความอยากที่ไม่ได้ที่ที่ฐานศีลระงับไม่ได้ก็ยังมีอยู่ในใจอันนี้ต้องใช้สติคอยควบคุมความคิดคอยสกัดความคิดคอยหยุดความคิดให้ได้ดังนั้นการปฏิบัติขั้นแรกคือสมถะภาวนานี้เป็นเป็นการปฏิบัติที่เราจะต้องทำให้เข้มข้นก่อนไม่ต้องไปกังวลเรื่องปัญญาเท่าไหร่เพราะความจริงเรื่องของปัญญานี้เราก็มีกันมากอยู่แล้ว เรารู้อยู่แล้วว่าความอยากต่างๆนั้นเกิดจากความทุกข์ต่างๆนั้นเกิดจากความอยากของเราเองเองแต่ว่าเรายังไม่มีกำลังที่จะไปหยุดความอยากได้งนั้นสิ่งที่เราต้องการก็สร้างกำลังให้กับใจสร้างกำลังหยุดให้กับใจถ้าเราหยุดใจได้ทาให้ใจให้นิ่งได้แล้วทาให้นิ่งให้ได้นานๆนิ่งให้นิ่งให้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน อย่างนั้นอ่ะจะถึงเรียกว่าเราจะพร้อมที่จะไปทางปัญญาพร้อมที่จะไปสู้กับความอยากต่างๆเพื่อที่จะได้กาจัดให้มันหมดสิ้นไปจากใจได้แต่ถ้าเรายังไม่มีกำลังของสมาธิอย่าเพิ่งไปสู้กับความอยากเพียงแต่คิดเพียงแต่มันเพียงแต่มันเห่าขึ้นมาที่ใจเราก็ฝ่อนะพอมันอยากจะให้เราไปทำนูน่นทำนี่ขึ้นมา ใ, นใจก็อ่อนปวกเปียกขึ้นมาทันที แต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วใจเราจะแข็งเหมือนก้อนหินพอความอยากโผล่ขึ้นมานี้มันจะไม่ทำให้ใจเราฟอมันจะไม่ทำให้ใจเราอ่อนบวกเปียกเหมือนกับเชียนโดนไฟใจของเราจะแข็งจะสู้กับความอยากต่างๆได้อยากจะดื่มกาแฟก็หยุดมันได้อยากจะสูบบุหรี่ก็หยุดมันได้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็หยุดมันได้อยากจะทำอะไรทั้งหมดนี้ ถ้าใจมีสมาธิที่แข็งแกร่ง ท, ท, ที่สามารถหยุดความอยากได้แล้วความอยากนี้จะไม่สามารถที่จะมาดึงใจให้ไปทําอะไรต่างๆได้ต่อไปนั่นแหละคือระดับของสมาธิและที่เราต้องพยายามสร้างกันขึ้นมาให้ได้สร้างสมาธิที่เป็นแบบเป็นเหมือนก้อนหินแล้วก็ต้องเป็นก้อนหินทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่แต่เป็นก้อนหินในช่วงขณะที่เราอยู่ในสมาธิ พ อ, อ, อจากสมาธิมาปั๊บเดี๋ยวเดียวก็อ่อนปวกเปียกพอไปเห็นรูปเสียงกลิ่นลดไปเห็นสิ่งที่เราเคยเสพเคยเคยชอบขึ้นมาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมา ท, าทันทีแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะไปล้างรับมันได้อย่างนี้แสดงว่าสมาธิเรายังมีกําลังน้อยยังมีไม่พอดนั้นเราต้องพยายามฝึกสมาธิให้จิตเราสงบได้ตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและในขณะที่ออกจากสมาธิมา เวลาที่เราออกจากสมาธิม่จิตเราจะก็จะมีความสงบมีพลังอยู่ชั่วคราวแล้วพอสักระยะหนึ่งพอเราไปคิดไปไปดูไปฟังไปสัมสับสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นและอะไรต่างๆความอยากมันก็จะโผล่ขึ้นมาใจเราก็จะสู้ความอยากไม่ไหวพอเรารู้ว่าเราสู้ความอยากไม่ไหวเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิก่อนไปเติมพลังของใจให้มีสมาธิให้มากขึ้น ้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้สติคอยสกัดกั้นความอยากอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาความสงบของใจให้ไปให้ได้นานๆเท่าที่จะทำได้จนกว่าเรารู้ว่ามันเริ่มไม่สงบแล้วเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิก่อนอในเบื้องต้นของขัน้นของการปฏิบัติเพื่อสมาธินี้เราจะต้องทำสองอย่างคือเวลาไม่นั่งสมาธิเราก็ต้องเจริญสติอยู่เรื่อย ต้องพุโทโธพุโทโธหรือต้องคอยดึงใจไม่ให้ไปไปจากปัจจุบันด้วยการถูกใจไว้อยู่กับร่างกายให้มันคอยเฝ้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายหรือให้มันอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะไม่ไหลไปตามความคิดต่างๆได้แล้วพอเราเห็นว่าเราพร้อมที่จะเข้าไปนั่งสมาธิต่ตอเราก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิต่ตอเพื่อทําให้ใจนิ่ง นิ่งเต็มที่ต้องทําสติกับสมาธินิสลับกันไปเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนเรามีความมั่นใจว่าใจเหล่านี้สามารถที่จะหยุดความอยากได้ทุกขณะเวลาที่เราออกจากสมาธิแล้วตอนนั้นเราถึงค่อยไปต่อสู้กับความอยากอพอมันอยากจะดื่มกาแฟก็หยุดมันได้อยากจะดูหนังฟังเพลงก็หยุดมันได้อยากจะไปเที่ยวก็หยุดมันได้ หรือถ้านจะเลิกพิเรฒความอยากที่มันหนักกว่านี้เช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็จะหยุดมันได้ด้วยการไปรทดสอบว่าเราอยากไม่เจ็บจริงหรือเปล่าอถ้าเจอความเจ็บเราจะทําให้ใจเรานิ่งเฉยได้ไหแล้วก็ลองนั่งสมาธิไปนานๆนั่งไปะยะ่างถ้าเกิดอาการเจ็บตามร่างกายต่างๆแล้วดูว่าความอยากที่จะให้ความเจ็บหายไปเรบ กับสมาธิของเรานี่จะสู้กันได้หรือไม่ใจเราจะเฉยๆอยู่กับความเจ็บได้หรือไม่หรือถ้าอยากจะพิสูจน์เรื่องความตายเราก็ต้องไปหาที่ที่มันน่าน่ากลัวไปที่ที่มันอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตของเราก็ได้แล้วดูซิว่าเราจะไปหยุดความกลัวได้หรือไม่อันนี้แหละถึงเวลาที่เราจะไปใช้ปัญญากันแต่เราต้องพร้อมก่อนเราต้องรู้ว่าเราต้องหยุดความ หยุดความอยากต่างๆได้ทำใจให้นิ่งได้เวลาไปเจอเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความเป็นความตายของเราดูที่ว่าเราจะเฉยได้หรือไม่นี่แหละคือขั้นต่อไปของขั้นปัญญาคือไปหยุดความอยากที่มันเป็นความอยากที่สร้างความทุกข์ให้มากที่สุดก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนีย่อยากไม่สูญเสียไม่อยากไม่พลาดภาคจากบุคคลที่เรารักสิ่งที่เรารักกัน อันนี้เป็นจะเป็นข้อสอบต่อไปแตเ่เราต้องมีเราต้องทาการบ้านให้พร้อมก่อนเราต้องเตรียมเตรียมใจของเราให้มีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้แล้วก็มันสอนใจพิจารณาว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่ต้องตามมาต่อไปเราพร้อมที่จะเผชิญกับมันได้หรือไม่รพร้อมที่จะรับรู้มันได้โดยไม่รู้สึกสะทกสะท้านใจได้หรือไม่ แต่เรานิ่งใจเราสงบไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายได้หรือไม่อันนีนะ้เป็นข้อสอบต่อไปแต่ถ้าเราไม่มีสมาธินี้ถ้าไปทําข้อสอบมันก็จะสอบตกทันทีเพราะมันพอไปเจอความแก่ความเจ็บความตายเจอการพัดภาคจากกาันก็จะเกิดความเศรา้าโศกเสียใจขึ้นมาเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีอย่างนี้แสดงว่าสมาธิยังมีกําลังไม่พอที่จะไปทางปัญญาได้ และเบื้องต้นของการปฏิบัติจิตตภาวนานี้ขอให้เราเน้นไปที่การเจริญสติคอยสกัดความคิดคอยดึงใจไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆให้ใจตั้งอยู่ในปัจจุบันตั้งอยู่กับคำบริกรมพุทโธพุทโธหรือตั้งอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้านั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกทําใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อนจนเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถใช้สมาธินี้หยุดความอยากต่างๆได้ แล้วเราค่อยไปทดสอบดูลองไปเจอลองไปนั่งให้มันเจ็บดูแล้วดูซิว่าเราใจเราเฉยกับมันได้หรือไม่ลองไปหาที่ที่มันน่ากลัวที่อาจจะทําให้เกิดความเป็นความตายกับร่างกายของเราดูซิว่าใจของเราจะนิ่งเฉยได้หรือไม่อันนั้นเป็นขั้นปัญญาที่จะตามมาต่อไปแต่ถ้าขั้นสมาธิยังไม่มีกําลังพอถ้าไปแป๊บเดียวบางทีก็ไม่กล้าไปเสียด้วยซ้ําไปเพราะยังไม่พร้อมอ น, นี่คือ เรื่องของการที่เราจะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องศึกษาก่อนศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วไปศึกษาแล้วเราก็ไปปฏิบัติกันปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาและกระทั่ง เรามีกําลังที่จะสกัดกั้นความอยากต่างๆหยุดความอยากต่างๆได้เราก็จะรู้ว่าทุกข์ในใจเราไม่มีอีกแล้วและเราก็จะรู้ว่าใจของเราจะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปแล้วเราก็จะรู้ว่าภารกิจที่พุเจ้าได้ทรงมอบให้กับเรานี้เราได้ทาสาเร็จร่วงแล้วเราก็ไม่ต้องมีอะไรจะต้องทำอีกต่อไปนอกจากสั่งสอนผู้ที่ปรารถนาผู้ที่สนใจที่อยากจะมาศึกษาด้วยเท่านั้น ถ้าไม่มีใครมาศึกษาก็อยู่เฉยๆไปไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีใครอยากจะศึกษาก็สงขคราไปด้วยความเมตตา น, นี่คือเรื่องกิจของชาวพุทธเราที่พูุทธเจ้าได้ทรงมอบให้มากระทํากันในวันวันพระวันธรรมสวนนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันทุปนาวาสุยาธามณีโชติอาราสุยาธาสัพพิติยวิวัจฉันตุสัพพะโรโวินัสตุมาเตภวะตะวันตะลายุสุขีทีขายุโกภวอภิวาตนาสิลิตะนิจังวุฒาปจายโน จตารุธรรมวัฏฐิอายุวันสุขังภาฬิช่วงตอ่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไรวันนี้มีผู้ติดตามฟังทมทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติพิชาโตสามค้อยเจ็ดสิบเกพระอาจารย์สุชาติไลฟ์สามรอยสิบเจ็ดคน YouTube d กเตอร์วีชานสี่สิบหวิทยุออนไลน์เจ็ดคลับเฮ์หผู้รับฟังธรรมะนากุติหนึ่งร้อยคนรวมทั้งหมดแ5ด้อยห้าสิบห้าครับ ถ้ามีคาถามก็่านได้เล ย, เลยคำถามจากทาง i ินบ็์คุณพัสรนันกรรมที่เกิดทำให้ทุกใจจนเป็นโรคซึมเศร้าแต่ต้องอดทนอยู่เพื่อลูกเพราะห่วงลูกมากต้องทำยังไงคะการปล่อยวางคือต้องทิ้งทุกอย่างใช่ไหมเจ้าคะ <c oughs> คือการปล่อยวางแล้วปล่อยวางทางจิตใจคืออย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากกับสิ่งต่งตาง แต่เรายังสามารถทำหน้าที่ที่เราต้องทำต่อไปได้ทำด้วยกิิยาไม่ได้ทำด้วยอารมณ์เลี้ยงลูกก็เลี้ยงต่อไปแต่ไม่มีความอยากความยึดติดในสิ่งนั้นสิ่งนี้ในบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ถ้ายังต้องทำหน้าที่ก็ทำไปแต่ใจเรานี้จะว่างจะเย็นจะสงบปล่อยวางได้ต้องฝึกสมาธิเนี่ยถึงบอกว่า การที่เราจะใช้ปัญญาเพื่อมาระงับดับความทุกข์ได้เราต้องมีสมาธิก่อนมีอุเบกขาก่อนเพราะเมื่อเรามีอุเบกขาแล้วใจเราก็จะนิ่งจะวางเฉยได้แต่เรายังสามารถทำหน้าที่ทุกอย่างที่เราต้องทำต่อไปได้คำถามต่อไปจากคุณปราณีการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับครับ ต้องทำบุญอย่างไรถึงจะสามารถให้อุทิศให้กับบุตรบิดาที่ตายไปแล้วครับพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทําบุญอุทิศด้วยการทําบุญทาทานเช่ในใส่บาตรถวายข้าวของสังฆทานให้กับพระภิกษุสองเบญต้นเราก็สามารถอุทิศบุญไปให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้คําถามจากทาง youtube คุณพีท หนูไม่ได้ทำงานไม่มีเงินเดือนมีสามีคอยอุปถัมภ์ชอบทำบุญตามวัดต่างๆสร้างโบสถ์บุรณะโบราณสถานตามวัดและบริจาคทานครั้งละมากๆบ่อยๆเกือบทุกเดือนหนูจะชวนสามีไปทำบุญทำทานโดยที่เงินทั้งหมดเป็นของสามีเจ้าค่ะไม่ทราบว่าหนูจะได้บุญเท่ากับสามีไหมคะเพราะหนูไม่ได้ใช้เงินของหนูในการทาบุญเจ้าค่ะ เงินของสามีถ้าเขาให้เราเขาก็ได้ทำบุญจากการที่เขาให้เงินเราแล้วเขาได้บุญแล้วเพราะฉะนั้นเงินที่เขาให้เรานี้ก็เป็นของเราเราจะไปทำบุญเราก็จะเป็นบุญของเราอีกทอดหนึ่งแต่จะไม่ได้เป็นบุญของสามียกเว้นว่าเงินที่เขาให้เราเป็นเงินที่เขาฝากไว้กับเราให้เราไปใช้ใจ่ายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองคน อย่างนี้เราก็ต้องคุยกับเขาก่อนว่าเราจะไปทําบุญเขาเห็นด้วยไห ม, มถ้าเขาเห็นด้วยก็เขาก็จะได้บุญไปกับเราเพราะเราทําบุญด้วยกันเพราะเป็นทรัพย์ส่วนรวมเป็นทรัพย์ที่เป็นทั้งของเขาเป็นทั้งของเราแต่ถ้าเขาเป็นเขามีเงินของเขาแล้วเขาให้เราอันนี้การให้เงินของเขากับเราเนี่ยเขาก็ได้บุญละเป็นการทําทาน แล้วถ้าเราเอาเงินที่เขาให้นะไปทำบุญทาทานเราก็จะได้บุญอีกคั้นแต่เป็นบุญของเราไม่ได้เป็นบุญของเขาเขาได้บุญที่เกิดจากการให้เงินเรามาแล้วคำถามจากคุณหนึ่งรวยไทยมีสองคำถามครับคำถามแรก ในการทำงานมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถตอบคำถามได้ตรงตามความเป็นจริงเช่นการตอบแบบสอบถามถือว่าผิดศีลข้อสี่หรือเป็นบาปไหมครับถ้าไม่ตรงกับความเป็นจริงก็โกหกโกหมันก็บาปก็อย่าไปตอบมันก็หมดเรื่องก็ไม่บาปคำถามที่สองการนั่งสมาธิต้องหยุดความคิดให้ได้ใช่ไหมครับ ใช่ถ้าถ้าหยุดความคิดไม่ได้มันก็จะไม่นิ่งมันก็จะไม่เป็นสมาธิคำถามต่อไปจากคุณกฎชพัฒเวลาที่ร่างกายป่วยไข้ไม่สบายเราจะไปปฏิบัติธรรมได้อย่างไรครับเรานั่งสมาธิก็ไม่เกินสามสิบห้านาทีกิเลสก็บอกว่าพอแล้วครับเหมือนเหนื่อยครับก็เป็นกรรมของคุณเทนั้นถ้าคุณไม่ทำให้มาก พอถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทำไม่ได้พพุทธเจ้าถึงสอนว่าอย่าประมาทอันนี้ปฏิบัติตั้งแต่ตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่เพราะถ้าเราแข็งแรงเราปฏิบัติได้มากเวลาที่เราป่วยเราก็ยังสามารถปฏิบัติต่อไปได้แต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเลยเวลาป่วยนี้จะไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติได้เลยให้พยายามทาซีนตั้งแต่บัดนี้ ตอนที่ยังมีกำลังวังชา ย, ยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีเวลามากน้อยเอามาให้กับการปฏิบัติเถิดเพราะไม่มีอะไรที่จะดีที่มีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจเราเท่ากับการปฏิบัติเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณอ้อถ้าโยมจะหยุดความอยากได้โยมต้องฝึกสติกับสมาธิให้เยอะก่อนหรือเปล่าครับก็ลองทำดูสิตอนนี้หยุดได้ยล้ หยุดหยุดดื่มกาแฟได้หรือยังหยุดดูละครได้หรือยังหยุดทําอะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นจะต้องทําได้หรือยังถ้ายังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าเรามีสติมีสมาธิไม่มากพอเราก็ต้องพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้จิตให้นิ่งมีกําลังหยุดให้ได้มากขึ้นสมาธิกับสติก็เป็นเหมือนเบรกรถยนต์เนี่ยถ้าเราขับรถไปแล้วเรารู้ว่าเหยียบเบรกล้วัถมันไม่จอดนี่เราก็แสดงว่าเบรกราไม่มีนะ เราก็ต้องเข้าอู่มารีบเปลี่ยนเบรกไปติดเบรกกันใดถ้าเรายังหยุดความอยากไม่ได้เราก็ต้องเอาจิตเราเข้าอู่เข้าไปภาวนาเข้าไปเจริญสติไปนั่งสมาธิให้จิตมันนิ่งให้สงบให้ได้ก่อนคำถามต่อไปจากคุณจันทวนาะคาถามที่หนึ่ง บุญแปลว่าความสุขใจอิ่มใจในขอบเขตศีลความสุขอย่างเช่นความร่ารวยการร้องรำทำเพลงดูหนังเที่ยวกลางคืนเป็นบุญที่เจือด้วยโทษผมเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือผิดประการใดครับเราไม่เรียกว่าบุญมันเป็นความสุขที่เป็นความสุขทางโลกที่เป็นความสุขชั่วคราวที่เกิดจากการได้สัมผัสได้สิ่งที่เราอยากได้มาซึ่งเป็นเหมือนความสุขแบบควันไฟ ได้มาแล้วก็หมดไปแล้วก็วก็สร้างความรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงารู้สึกว้าวเวขึ้นมาใหม่ถึงทำให้เราต้องไปหาสิ่งต่างๆมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆอันนี้มันเราไม่เรียกว่าบุญเราเรียกว่าเป็นการมาสุขสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสรูปเสียงก ล, ลธธิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ใช่บุญที่เกิดจากความสุขที่เกิดจากการทำบุญเสียสละแบ่งปันหรือรักษาสีเป็นความสุขคนละชนิดกัน คำถามเพิ่มเติมจากท่านเดิมครับพระอริยะทั้งสี่จำพวกเปรียบเหมือนชั้นเรียนปริญญาตรีโทเอกด็อกเตอร์ควรเรียนให้จบเข้าใจอย่างนี้พอจะได้ไหมครับถูกต้องถ้าอยากจะได้ความรู้ที่สูงสุดก็ต้องเรียนจบปริญญาเอกถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์ก็ต้องบรรลุขั้นพระอรหันต์ถึงจะสามารถทําความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ คำถามต่อเนื่องครับพระสกิดาคามีละกามราคะละปฏิฆะครึ่งหนึ่งปฏิฆะคือความผูกโกรธอาฆาตหงุดหงิดใจใช่ไหมครับขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายให้ด้วยครับใช่เวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้น ม, มันใจก็จะหงุดหงิดมันไม่มีความสุขโดยต้องไประ ง, งับด้วยการไปเสดกามพอได้เสดกามกามราคะก็หยุดไปปฏิฆะก็หยุดไปชั่วคราว จนกว่าจะเกิดการมาราค้าขึ้นมาใหม่ก็จะเกิดปฏิฆาตามมาสองอย่างนี้มันเป็นเหมือนเป็ น, เ ป, นเป็นคู่แฝดกันมันมาด้วยกันมีการมาราค้ามันก็จะมีความบุญดีนำคาญใจตามมาพอหยุดการมาราค้าได้ความปฏิฆามันก็จะหยุดตามไปคำถามต่อไปจากคุณแบงก์ของแพ Plan นเนอร์จะสลับะจะสละทรับขณะที่มีชีวิตอยู่ ได้บุญถ้าตายแล้วทำพินัยกรรมไว้ยกให้วัดไปจะไม่ได้บุญจริงไหมครับถูกต้องเพราะว่ามันยังเป็นของเราอยู่เวลาที่เราตายเราก็ไม่รู้ว่าเงินของเรานี่มันจะไปให้ไปถึงใครแล้วอาจจะมีใครโกงไปก่อนก็ได้อาจจะไปมีคนไปเปลี่ยนพินัยกรรมก็ได้เ <c oughs> นมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วเราก็จะไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็เหมือนกันเราไม่ได้ทาบุญนั่นเอง ถ้าอยากจะได้บุญเราต้องรู้ว่าเราได้ทำแล้วเราได้เสียสละแล้วเงินก้อนนี้เป็นของวัดไปแล้วอย่างนี้เราก็จะมีความปิติมีความสุขใจอิ่มใจเกิดขึ้นมาคาถามต่อไปจากคุณสุนียอผมสงสัยว่าเพราะเหตุใ ด, ดในพระพุทธศาสนาจึงมีสองนิกายครับก็เรื่องของพระนยพระที่มีความเห็นต่างไปจาก จากกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็แยกขอแยกไปคือปัญหาก็คืออยู่ตรงที่ ต, ตอนที่พุทธเจ้า ก, ก่อนจะจะจากโลกนี้ไปก็ส่งสั่งถ้าสงไว้ว่าศีลบางข้อที่เป็นข้อเล็กๆน้อยๆที่ถ้าสงเห็นว่ามันสมควรที่จะเลิกก็เลิกได้ mm hmm. ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ควรจะเลิกก็เลิกได้ mm hmm. ทีนี้ พอพระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็มีสงฆ์บางกลุ่มเขาบอกเออพระพุทธเจ้าบอกให้เลิกข้อนี้ได้ก็ขอเลิกแต่พระ อ, อีกฝ่กายหนึ่งเขาก็ยังบอกว่าสิ่งที่พระุทธเจ้าทรงสอนเรารักษามากับพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะรักษาต่อไปไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องเลิกรักษาก็เลยไม่เลิกรักษาเห็นพวกที่เลิกรักษาบางข้อเขาก็แยกไปตั้งเป็นนิกายของเขาขึ้นมาใหม่ท่นนี้มีความเห็นต่างจาก การต่างกันในการรักษาพระธรรมวินัยนต่างเทานั้นเองอ ม, มีใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้อีกนะเดี๋ยวจะรอสักพักหนึ่งเพื่อมีคนกำลังพิมพ์ข้อความเข้ามาอยู่จะได้ <c oughs> จะได้ถามคำถามได้ คำถามจากทางเฟซบุ๊กครับจากคุณลําโพงเวลาปฏิบัติธรรมทําไมจิตใจจึงหงุดหงิดครับเพราะมันต้องต่อสู้กับกิเลสนี่ยกิเลสคือความอยากความอยากมันชอบไปทํานู่นทนํานี่ชอบไปดูนั่นทังนี่กินนู่นกินนี่พอมาปฏิบัติธรรมมันก็ทําไม่ได้มันก็เลยเกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาเหมือนกับที่เมื่อกี้คําถามที่ถามว่าปฏิคฆะเป็นยังไงปฏิฆะก็คือความหงุดหงิด ที่มันเกิดจากความอยากเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาอยากจะเสกกามพอไม่ได้เสกมันก็หงดหิดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราไปฝึกสมาธินั่งสมาธิฝึกสติเราก็ไปคอยควบคุมความอยากไม่ให้มันไม่ให้มันทําตามสิ่งอย่างอๆแต่กําลังสติของเรายังมีไม่มากพอยังไม่สามารถห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้พอเกิดความอยากมันก็เลยเกิดความหงดหิดนาคาญใจ ทำให้ไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะปฏิบัติเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือต้องพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิฝึกบ่อยๆฝึกทั้งวันทั้งคืนเราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนการจเจริญสตินี้ก็คือการควบคุมใจเราไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆเช่นผูกใจไว้กับคาบริกามพุทโธพุทโธหรือผูกใจไว้กับ ก, บการกระทาของร่างกาย ว่าร่างกายกำลังทำอะไรเราก็เฝ้าอยู่กับเฝ้าดูอยู่กับการกระทำของร่างกายอย่างนี้เราก็จะทำให้เรามีสติแล้วมันจะทำให้ความอยากเกิดขึ้นได้ยากแล้วเวลาเรามานั่งสมาธิมันก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจจะนั่งสมาธิได้อย่างง่ายและสบายดัยงนั้นถ้าอยากจะฝึกสมาธินั่งสมาธิต้องฝึกสติให้ได้ก่อนถ้ายังไม่ได้สติเวลานั่งสมาธิก็จะเกิดอาการหงุดหงิด เราจะทนนั่งต่อไปไม่ได้คำถามจากคุณตะวนันทางธรรมกับทางโลกไม่มีทางสายกลางใช่ไหมครับถ้าเลือกทางใดก็ต้องไปทางนั้นก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าเราอยู่ในระดับทางระดับสีนี้เราก็ยังไปทางโลกได้ไปคู่กันได้ทํางานทําการไปหาความสุขจากรูปเสีนิสกิดลดแต่ให้มันอยู่ในกรอบของศีลธรรมเช่นเราไม่ไปประพฤติผิดประเพณี อยากจะร่วมเพศก็ต้องร่วมเพศกับสามีหรือภรรยาของเราเป็นต้นอย่างนี้ก็ยังไปด้วยกันได้อยู่แต่ถ้าเราอยากจะไปขั้นที่สูงกว่า น, นี้มันก็จะแยกทางกันไปถ้าเราต้องการไปทางภาวนาจิตตภาวนากับเราก็จะไปทางโลกไม่ได้เพราะผู้ที่จะไปภาวนาต้องไปถือศีลแปลดคือไม่ไปเสพกามไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเป็นเรื่องของทางโลก ตอนนี้ก็จะเริ่มแยกทางออกจากกันแต่ในเบื้องต้นเราก็แยกแบบชั่วคราวได้เช่นอาทิตย์หนึ่งเราก็แยกไปทางธรรมสักวันสองวันเช่นวันทัพ ว, วันที่เราหยุดทํางานอย่างวันนี้วันพระอย่างแทนที่เราจะไปเที่ยวไปกินไปดื่มเราก็งดหนึ่งวันแล้วก็มาปฏิบัติทางธรรมไปก่อนตอนต้นก็จะค่อยๆแยกออกจากกันเหมือนถนนอะที่มันเวลาจะแยกออกจากกันมันก็ไม่ใช่เอาแยกออกจากกันทันทีมันก็ค่อยเบี่ยงออกไปทีละนิดเท่าหน่อยก่อน อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราต้องการจะไปทางธรรมต่อไปเราก็จะไปปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นพอเราได้สัมผัสกับความสุขที่มัน <c oughs> เหนือกว่าความสุขของทางโลกมันก็จะทำให้เรามีความต้องการที่จะปฏิบัติธรรมมากขึ้นต่อไปเราก็อาจจะไปปฏิบัติตามธรรมตามตามเต็มรูปแบบเราก็จะไปบวชกันไปบวชเป็นนักบวชกันเพที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ต่อไป <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณโ a สำหรับผู้ที่ยังอยู่ในขั้นของการฝึกเจริญสติและยังไม่ได้รับความสุขจากการเข้าสมาธิต้องทำอย่างไรถึงจะระงับความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มีเข้ามาส่งเสริมความอยากอยู่ตลอดเวลาครับก็การรักษาศีลก็ช่วยได้ถ้าเรารักษาศีนแปดได้เวลาที่เราอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ทำไม่ได้ เราก็ต้องใช้ขันติใช้ความอดทนคอยอดกั้นไว้ช่วยสนับสนุนกับความอยากให้กับกับสติของเราแต่ถ้าเรามีสติน้อยแล้วก็กำลังที่รักษาสีนน้อยบางทีเราก็ต้องยอมรับว่าเรายัางไปไม่ไหวเรายัางสู้วีเลตตันหาไม่ได้เราก็ยังต้องต้องรับใช้มันไปก่อนคำถามต่อไปจากคุณสิริชัย รักษาศีลเป็นปกติให้ทานบ่อยเพราะสร้างความสุขใจแต่ยังไม่ค่อยได้ภาวนาครับหากทําภาวนาให้มากกว่าจะดีกว่าใช่ไหมครับแน่นอนเพราะความสุขที่ได้จากการภาวนานี่มันเต็มร้อยพูด ง, ง่ายๆความสุขที่ได้จากการทําทานรักษาศีลมันยัง 50- 50ิบาอยู่คำถามต่อไปจากคุณแบงคอกเพลนเนอร์หากใช้มรณามรณาณุสติ ทำกรรมฐานเมื่อตอนตายขึ้นมาทันทีจิตดวงสุดท้ายจะไปตั้งมั่นที่ตรงไหนครับถ้าปล่อยวางได้ปล่อยวางนั่งกายได้จิตก็จะตั้งอยู่ในความสงบไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไม่กลัวไม่ไม่หลงใจก็จะนิ่งสงบไปก็ไปสู่สุคติคำถามต่อไปจากคุณวราวุธ ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทครับอันนี้อยากจะให้ไปศึกษาเอาเอางดีกว่าเนะพราะเราก็ไม่ค่อยจะค่อยชำนาญเท่าไหร่ก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ขอตอบดีกว่าไปลองเปิด g ูเกิดูก็ได้ Google ก็จะมีบอกว่าอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดรูปดามขึ้นมา ทำให้เกิดผัสสะเกิดอะไรเกิดตัณหาความอยากมิทนาตามมาทำให้เกิดภพเกิดชาติตามมาคำถามต่อไปจากคุณจินตนาการฟังธรรมเป็นประจำทุกวันจะได้อนิสงฆ์ไหมครับ <c oughs> ก็อยู่ที่ว่าเราฟังแบบไหนถ้าเราฟังแบบทัาพีในหม้ อ, อกแกงก็ไม่ได้ประโยชน์เห <laughs> มือนทับพีที่มันใส่ไปนนะก็หม้ อ, อกแกงมันก็ไม่รู้ว่าเป็นแกงอะไร ถ้าแต่ถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์คือลิ้นมันจะสัมผัสรับรู้กับรสของแกงที่มาแตะที่ลิ้นแกงเผ็ดก็รู้ทันทีว่าเป็นแกงเผ็ดแกงแกงจืดก็จะรู้ทันทีว่าเป็นแกงจืดทันใดการฟังธรรมก็ฟังแบบลิ้นกับแกงเรื่องฟังแบบทับพีในหม้อแกงถ้าฟังแบบทับพีในหม้อแกงก็ฟังแบบไม่รู้เรื่องใจลอยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจฟัง ร่างกายนั่งนั่งอยู่ตรงนี้แต่ใจไปอยู่ที่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ที่คนนั้นอยู่ที่คนนี้อย่างนี้ฟังไปก็จะไม่รู้เรื่องไม่ได้รับประโยชน์อะไรเรียกว่าฟังแบบทับทีในหม้อกแกงถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงก็ฟังแบบมีสติจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมตลอดเวลาแล้วก็คิดตามตลอดพิจารณาตามเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปตามลาดับอย่างนี้ก็จะได้เกิดประโยชน์ คำถามต่อไปจากคุณป๋อมแปม๋มครอบครัวของลูกมีคุณย่าที่คอยบังคับให้ใช้ชีวิตไปตามในไปตามในรูปแบบของท่านซึ่งทางลูกทำตามบ้างไม่ทำตามบ้างทำให้ท่านไม่พอใจเลยมีปากเสียงกันคุณย่าไล่ออกจากบ้านคนเป็นลูกจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกกันได้อ น, นี้ไม่ได้เป็นการกระทาบาปถ้ามีทัศนคติไม่ตรงกัน คนหนึ่งอยากจะให้ทําอย่างหนึ่งอีกคนนึ่งอยากจะทําอย่างหนึ่งเมื่อไม่สามารถตอบสนองตันหาความอยากของอีกคนหนึ่งได้ก็แยกทางกันไปไม่ได้ทําบาปแต่อย่างใดคําถามต่อไปจากคุณดาดาสมถฏภาวนากับอานาปานาสติภาวนาต่างกันอย่างไรครับอันเดียวกันสมถะคือการทําใจให้สงบอานาปานาสติก็เป็นวิธีทําใจให้สงบวิธีหนึ่ง สมถะภาวนานี้มันมีหลายวิธีด้วยกันมันดูลมหายใจเข้าออกก็ได้บริกรรมพุทโธก็ได้อันนี้ก็เป็นการทําใจให้สงบซึ่งอยู่ในกลุ่มของสมถะภาวนาคือทําใจให้สงบเป็นสมาธิคําถามต่อไปจากคุณโอเอมีวิธีใดบ้างครับที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ที่อยู่ในขั้นของการฝึกเจริญสติฝึกนั่งสมาธิ มีการปฏิบัติที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ขาดช่วงเนื่องจากยังต้องคลุกคลีกับคนที่อยู่ร่วมกันอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับถ้ายัางช่วงคลุกคลีกันก็จะไม่สามารถปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้เหมือนกับขับรถบนทางด่วนกับขับรถที่อยู่ใต้ทางด่วนถ้ายัางคลุกคลีกับคนนั้นคนนี้ก็เหมือนขับรถอยู่ใต้ทางด่วนก็ต้องไปเจอรถคันนั้นเจอรถคันนี้สวนมาสวนมาบ้างแซงมาบ้างแทรกเข้ามาบ้าง เจอสี่แยกไฟแดง mm hmm. การขับรถทางใต้ทางดือน mm hmm. มันก็จะไปได้ด้วยทางหน้าช้าแต่ถ้าเราขึ้นทางด่วนได้มันก็ไม่มีรถขวางทางไม่มีรถสักมามาแทรกมาอะไรก็สามารถวิ่งไปได้อย่างอย่างรวดเร็วถ้าอยากจะปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องก็ต้องไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติไปอยู่แบบพระไปอยู่อาศัยวัดอยู่ไปอยู่ที่ท่านจัดให้เราอยู่ ให้เรามีเวลาได้ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องทั้งวันทั้งคืน mm. เราก็จะได้ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่อง mm. เราต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง mm. เราจะเอาสองอย่างพร้อมกันไม่ได้นั้น mm. ต้องการความสงบต้องการปฏิบัติเพื่อให้ความสงบต้องไปปิกวิเวกต้องไปอยู่ที่สงบคนเดียว mm. Mm. แต่ถ้ายังต้องคุกคียังต้องสังคมกับคนนั้นคนนี้อยู่ mm. ก็ปฏิบัติได้ยาก mm. ได้น้อย mm. เป็นเปน็นเรื่องปกติไป เราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งคำถามต่อไปจากคุณสุวรรณาการทำทานให้ญาติพี่น้องกับการบริจาคเงินให้โรงพยาบาลได้บุญเท่ากันใช่ไหมครับอาจจะไม่เท่ากันนะในความรู้สึกเพราะเวลาให้กับคนที่เราเป็นญาติเราหรือเป็นที่เป็นน้องเราหรือเป็นลูกเรานี่มันเป็นเหมือนทํากับคนที่ใกล้ตัวเรา ความรักความผูกพันในตัวเขาเรามีมากกว่าอืความรู้สึกที่เราจะได้ความบุญจากการเสียสละมันจะน้อยกว่าจากการที่เราเอาเงินเอาทองไปให้กับคนที่เราไม่รู้จักอันนี้ก็ความรู้สึกอาจจะต่างกันความรู้สึกสุขจะไม่เท่ากันอก็บุญก็เลยจะไม่เท่ากันที่ตรงนี้หมดแล้วหลายคำถาม